กำเนิดมนุษย์ท่านว่าไว้อย่างไรต่อไปนี้ก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดของมนุษย์ตามความในพระไตรปิฎกให้ชัดขึ้นไปอีกที่กล่าวไปแล้วเป็นพระวินัยคราวนี้เราไปดูในพระสูตรบ้างเพื่อจะโยงหาเนื้อความที่สัมพันธ์กันที่จะช่วยให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นมีพระสูตรที่ตรัสถึงเรื่องกำเนิดของชีวิตมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเพราะการประชุมพร้อมแห่งองค์ประกอบสามประการย่อมมีการยังลงแห่งคันการยังลงแห่งคันหมายความว่ามีการเกิดขึ้นของสัตว์ที่เกิดในท้องมารดาดูพุทธพจน์นั้นต่อไปให้จบว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดมารดาบิดาร่วมกันหนึ่งมารดาอยู่ในฤดูคือช่วงเวลาไข่สุกหนึ่ง และคันทภพพะเข้าไปตั้งอยู่แล้วหนึ่งเพราะประชุมองค์ประกอบสามประการอย่างนี้ก็มีการก้าวลงแห่งขันพุทธพจน์จากมัชฌิมนิกายมุลปันนาฏพระไตรปิฎกเล่มสิบสองนี่ก็หมายความว่าองค์ประกอบฝ่ายมารดากับพิดามาประจวบ ก, กันหนึ่งแล้วมารดาก็อยู่ในระยะที่มีไข่สุกหนึ่ง อีกทั้งคันทัพพระก็เข้าไปตั้งอยู่หนึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นกำเนิดชีวิตทีนี้ก็มีข้อสงสัยว่าคันทัพพระคืออะไรคันทัพพระนี่ตามปกติที่เป็นสาบทั่วไปก็แปลว่าคนทันและคนทันนี้ก็อยู่ในจำพวกเทวดาอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปดังที่รู้จักกันในวงวันนคดีเป็นพวกเทพบุตรประเภทนักดนตรี ตามหลักท่านจัดเป็นเทวดาชั้นต่ำเป็นบริวารของเท้าทตตร์ซึ่งเป็นโลกบาลประจําทิศตะวันออกในสวรรค์ชั้นต้นที่เรียกว่าจาตุกมหาราชิกาหรือเท้าโลกบาลสี่แต่เราอย่าไปหลงกับศัพท์นั้นเพราะศัพท์ต่างๆมีความหมายได้หลายนายัยยะไม่ใช่ว่าศัพท์เดียวจะมีความหมายได้อย่างเดียวซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในภาษาทั้งหลายอย่างในภาษาไทยของเรานี้คําว่าชาย อาจหมายถึงคนผู้ชายก็ได้หมายถึงริมเช่นอย่างชายผ้าก็ได้หมายถึงคล้อยไปเช่นตะวันชายบ่ายคล้อยก็มีสําหรับคันทภะนี้ท่านก็อธิบายต่อไปแต่คําอธิบายนี้ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกให้แต่ตัวสับไว้คําอธิบายมาในอัธกถาท่านบอกว่าคันทภะคือสัตว์ที่เข้าไปที่นั้น ท่านใช้คำสั้นนิดเดียวว่าตัตตรูปาคัสตโตสัตว์ผู้เข้าไปที่นั้นและอธิบายต่อไปอีกเป็นคำอธิบายของอัธกถาและทั้งดีกาด้วยมีสาระสำคัญว่าคันท พ, พะก็คือสัตว์ผู้ไปเกิดซึ่งตอนนั้นถือได้ว่าอยู่ในภพก่อนวิญญาณหรือจิตสุดท้ายจะมุ่งหน้ามาสู่กำเนิดโดยมีคตินิมิตเป็นตัวนา อธิบายว่าเวลาคนจะตายท่านบอกว่าจะมีกรรมนิมิตอันได้แก่ภาพของกรรมคือประสบการณ์ต่างๆที่ตนได้กระทาไว้ในอดีตของชีวิตมาฉายให้เห็นพอกรรมนิมิตคือภาพตัวแทนของสิ่งที่ตนได้กระทำมาผ่านไปแล้วก็มีคตินิมิตคือภาพของพบที่ตนจะไปเกิดปรากฏให้เห็นคตินิมิตที่ปรากฏนี้ก็เป็นไปตามกรรม ที่เป็นตัวนำให้ไปเกิดกรรมนั้นแสดงออกโดยมีกตินิมิตเป็นเครื่องหมายและกรรมก็เป็นตัวชักพาไปวิญญาณเก่าดับไปวิญญาณใหม่เกิดขึ้นสืบต่อกำที่สะสมไว้และวิญญาณนั้นชื่อว่าเป็นคันธพะฉะนั้นคำว่าคันธพะตามมาติของอัตถกถาก็หมายถึงตัวสัตว์ผู้ไปเกิด เป็นสับที่เรียกคลุมคุมเพราะถ้าจะเรียกเป็นจิตเป็นวิญญาณก็จะเป็นการพูดสับลึกแบบอภิธรรมมากไปจึงพูดเป็นตัวสัตย์หยาบไปเลยหมายถึงผู้ที่จะไปเกิดท่านแสดงไว้ในความหมายว่าอย่างนั้นพระอาจารย์ที่อธิบายท่านเรียกว่าอุปปัชชนะกัสสโตแปลว่าสัตว์ผู้เกิดขึ้นผู้เกิดหรือผู้ถือกำเนิดเป็นอันว่า มติของคำภีทั้งหลายแสดงไว้ชัดแล้วว่าท่านมุ่งเหาแค่ไหนคันทัพพระซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในการเกิดของคนก็หมายถึงคนที่จะมาเกิดหรือสัตว์ที่มาเกิดในกรณีนั้นหมายเหตุผู้อ่านคำว่าสัตว์ในทางธรรมะนั้นหมายถึงผู้ติดข้องในรูปารมณ์เป็นต้น สิ่งที่มีความรู้สึกและเคลื่อนไหวไปได้เองรวมตลอดทั้งเทพมารพรหมมนุษย์เปรตอสุรกายดิรชานและสัตว์นรกในบาลีเพ่งเอามนุษย์ก่อนอย่างอื่นและใช้ในความหมายที่ดีที่สูงยิ่งบ่อยด้วยเช่นโพธิสัตว์มหาสัตว์และมหาบุรุษเป็นคำที่ใช้แทนกันได้แต่ในภาษาไทยมักเพ่งเอาดิรชาน